ก่อนที่จะปัญนจูก็คงจะมีการสวดอิติปิโสจะเอากี่จบวะจะเอาร้อยแปดจบล่ะโอ้ถ้าเอาร้อยแปดจบนึ่งหลวงพ่อจะไปหานางไปหานางพักให้พวกเข้าสวดจ น, นให้พวกเขานางสวดจะเอาจะมัดมือมะสี่องค์ยสี่สามสิบสอง เอาองละสามจบก็คงจะพ่อมั่งหลวงพ่อวาการเอาองเอาองละสองเอาองละจบก็ยังน่อยพดว่าการเอาองเอาองละสองจบ 4, 2, น 8, 8จบี่สี่สองเป็นแปดปดจบการองเป็นสามสี่สามสิบสองสิบสองจบอันนี้จะได้เตรียมพระธาตุอธิธาตุหลวง แล้วก็จะบรรจุในวันนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลถ้าทำแบบเรียบง่ายก็เรียบง่ายเกินไปหลวงพ่อเคยคิดเหมือนกันถ้าทำแบบเรียบง่ายก็หลวงพ่อบรรจุแล้วก็แล้วไปแต่ก็ไม่ได้ประกาศเกียรติศัพทิ์เกียรติคุณในคุณค่างามความดีของท่านขบวนทีุ่ด ก, กัมากราบเท่านั้นแล้วก็จบ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 จากนั้นก็วางซิล้เลิกจากนั้นก็ได้ทาพิธีกรรมยกฉัดบรรจุตลอดถึงฉลองแต่ทุกวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมลูกหลานในท้องถิ่นให้ความสำคัญอย่างมากหลวงพ่อพอให้เขาให้ความสำคัญอย่างมากหลวงพ่อก็อายุแก่แล้วก็ถอนตัวถอยออกมา ก็มอบให้เขาเป็นคนดำเนินลูกหลานดำเนินการต่อไปฮนี่แหละอันนี้ก่ะ้าว่าเราไม่ลิเริ่มไม่ก่อไม่บอกกล่าวว่าเจดีย์ของคุณแม่สำคัญชะไหนด้วยเหตุใดจึงสร้างพระเจดีย์ให้คุณแม่ชีกแก้วถ้าเราไม่ประกาศเกียรติศัพท์เกียร ต, ติคุณให้ลูกให้หลานได้ยินซะก่อน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 ประทาตของพระรหันต์ประทาตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ในยุค ป, ปัจจุบันก็บรรจุไว้ข้างบนแต่ที่แรกหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะคือพระเจดีย์ก็ต้องเป็นของท่านผู้นั้นอย่างเราร้างเจดีลงปูล่ลานะเราก็ต้องบรรจุอธิธาตหรือประธาตลงปูล่ลาอยู่ข้างบนเจดีแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้ว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 แต่เขาไม่ควรจะกราบเพราะเหตุใดเพราะในพระวินัยของพระสงค์พระพุทธเจ้าบัญญัติคลุธรรมแปดประการก่อนที่นางโคจะมีจะออกอวดก่อนที่นางโคจะมีจะบวชเฮียพระอนนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าตั้งหลายครั้งตอนนางโคจะมีเป็นผู้มีบุญคุณกับพระพุทธองค์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 เป็นภิกษุณีโดยเทิดพระเจ้าพราณนาะพอในครั้งก่อนๆ ก, ก็เคยมีมาแล้วที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้พระพุทธองค์ถ้านางโคจะมีจะบวชเขายินดีในขลุธรรมแปดประการไหมถ้าเขาปฏิบัติคลุธรรมปดประการนี้ได้เราก็จะให้อุปสมบทจะให้บวชเป็นภิกษุณีได้ทีนี้ พุธรรม8ประการนั้นฟังท่านก็บอกบอกแล้วไงแต่นี้มีข้อหนึงใน8ประการนั้นอ่ะสรุปก็คือปาราชิก4ีภิกษุนี่คือปาราชิก4แต่ภิกษุนีปาราชิก8ปดนะเพิ่มเข้าไป8นะโทษประหารของภิกษุนีคือภิกษุนีบวชมาร้อยปีต้องแสดงเค้าความเคารพคาระวะภิกษุที่บวชในวันนั้น อันนี้คือบัญญัติกระลุธรรมในแปดข้อนะั่นคือข้อที่ข้อหนึ่งในแปดข้อนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์เพราะนั้นมาถึงยุคของเราถึงเราจะเคารพในจิตใจที่วัฒนในบรรลุสําเร็จมรรคผลก็ไม่ให้ไม่ควรพระไม่ควรจะกราบไม่ควรจะกราบเมตชีแม่ขาว หรือว่าพิกุณเีเพราะพระพุทธเจ้าได้บัญญัติในพระวินยัยตายตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทําอะไรเราต้องคิดนะไม่ใช่กาบอะไรก็กราบไปเรื่อยกาบจนคนดูถูกเกียดยาำงมงายไปมันก็ไม่ใช่ไม่เลืกไม่ใช่เรื่องแต่เราเคารพในคุณธรรมของคุณแม่แต่จะให้เรากลาบคารวะนั้นคือพระวินยัย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 เปลือกฟองออกไปแล้วนั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นพี่ถ้าไก่ไข่ในลังนั้นมีอยู่ส0บฟองแต่ตัวไหนเจาะฟองออกไปก่อนตัวนั้นเป็นพี่ชายใหญ่เป็นพี่ชายพวกน้องๆทั้ ง, งหลายก็ต้องกราบคารวะถ้าอยู่ในฟองก็จะแสดงว่ายัางยังจะตองเลียนไหวตายเกิดอีกต่อไปตั้งจูอีกจงฟักอีกนาน แต่ตัวที่ออกไปแล้วก็คือตัวนั้นพ้นแล้วออกเป็นตัวแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือถึงมรรคผลนิพพานแล้ว น, ะนี่แหล ะ, ะถ้าตัวไหนเจาะฟองไข่ออกได้ก่อนคนนั้นแหละคือพี่ชายของพวกเราพนะระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะนั้นท่านถือความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นใหญ่ธงว่าผู้ใดก็ตามยังเป็นปุถุชนอยู่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 ที่พระพุทธเจ้ารับรองเป็นไงสาวสวรรค์สวยไหมโอ้ oh. สวยจริงๆคอับพระพุทธเจ้ารับรองอครับพ ร, ระพุทธเจ้ารับรองว่าผมประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติผมไม่จันอย่างนี้จะได้ไปสู่สวรรค์อจะได้สาวสวรรค์พระพุทธองค์รับรองใครก็ถามถามเข้าถามข้อเดียมันมันอายเขาได้แต่เนี่ยหลบลี้หนีหน้าไปอยู่ที่อื่นะ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 ตอนนี้ท่านได้เป็นพระาราหันแล้วท่านไม่พูดอย่างเก่าอะไรท่านเลยท่านบอกว่าไม่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเละสวยหรือไม่สวยงามหรือไม่งามผมไม่ไม่สนใจแล้วหมดภาระของผมที่จะไปนสนใจจุดนั้นแล้วคือท่านเป็นพระาราหันแล้วพระเหล่านั้นก็นได้ยินนะเ อ, เอทําแม่งนะว่าสแสดงว่าอวดอุตริมนุษยธรรมอะไนี่ลักษณะอย่างนี้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 หมายปลายทางของเขาแล้วเขาได้เป็นพระอรหันแล้วการที่จะประกันที่เราได้ประกันไปนั้นเราก็จบแล้วเพราะว่าหมดเรื่องแล้วสำหรับนันทะอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือท่านยกผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นเป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลแต่ถึงยังไงก็ตามผู้ที่สำเร็จบริสุทธิ์หลุดพ้นไปนั้น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 พระองค์เกียร์พระบาทไว้ทนันทีพระกระบินออกจากสมาบัติมากรมาเห็นลอยพระบาทพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้ากุฏิของตนเองโอ้เกิดเรื่องและเหตุและมีเหตุแล้วเนี่ยจากนั้นพระกระบินก็นรีบไปกราบพระพุทธเจ้าพระโต้งบอกว่ากระบินที่เธอทําอย่างนั้นไม่ถูกนะเนถึงวันอุโบสถต้องลงอุโบสถ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 แต่พระพุทธเจ้าทว่าหลงกายให้พวกท่านทั้งหลายดูก็แล้วกันให้หลงกายเกซาโลมานักฆ่าทันตาตะโจนี่แหละหลงอันนี้แหละถ้าพิจารณาให้เห็นตัวนี้ร่างกายของเราจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เห็นไหมใครอยู่โช่ฟ้าดินสลายไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายออทุกคนจบทุกคนอย่าหลงนะใจน ะ, นะให้พวกท่านดูดูใจ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 ตามที่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านที่ท่านได้ตรัสเอาไว้จริงไหมเหอปัญญาสติปัญญาเรามีเท่าไหร่ก็กันกลองไตรตรองดูเพราะว่าท่านกันกลองไตรตรองมาด้วยเหตุและผลยาวนานแล้วถ้ามว่าเรายังไม่ยอมรับก่อนมันเป็นกิเลสของเราเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วนะ และตอนนี้ไปรับพรอนโมโทนาให้พร